ที่วัดเริ่มเย็นแล้วเมื่อเช้าวยี่เป็นองศาเย็นน่าจะเย็นไาหนึ่งเทพก่ยเหี่านะลองลองกันรอบติดทาง ในในี้อยู่กับธรรมชาติอยู่ติดกับป่าได้จริงพื้นที่นี้ก็เขาถือว่าเป็นป่าเหมือนกันสัตว์ก็เยอะสงบเงียบห่างหมู่บ้านสองกิโลตำหลักของพระออาทุดงอะไรเใช้พักห่างหมู่บ้านสองกิโล ไม่ไม่นุกหูแต่นี่เป็นตำราโบราณเดี๋ยวนี้เครื่องเสียงมันดังจากหมู่บ้านดังมาเนี้ยสบายเลยพอม่อยู่ที่แรกเนะี่ยแถวนี้กลางคืนนะเสียงนกเสียงแมลงกลางคืนนะเนี่ยยอะท้องฟ้าเนะเต็มไปด้วยดาวในกรุงเทพไม่มีไม่เห็นนะ สงบสบายอยู่มาไม่นานผู้คนก็นมาอยู่แถวนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นความสงบก็เริ่มหายไปโลกก็เป็นอย่างนี้หาที่สงบสันติจริงๆหายากผู้คนมันเยอะ กระทบกระทั่งเบียดเบียนกันถ้าดูข่าวพวกเราดูข่าวมีแต่เรื่องร้อนๆทั้งนั้นนี่พวกเรานักปฏิบัติเราจะรู้ว่าโลกมันก็อย่างนั้นสัตว์ในโลกก็กระทบกระทั่งกันเบียดเบียนกันเป็นเรื่องปกติ จะให้สบายตลอดเวลาอย่างที่เราต้องการนะเป็นไปไม่ได้นี่ถ้าใจเราปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงนะปฏิเสธตรงนี้ใจมันจะทุกข์ขั้นแรกเราพอนานยังไม่เก่งนะเรามองอะไรเราก็มองเอาตัวเองเป็นตัวตั้ง เราว่าโลกข้างนอกเต็ไมไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนมีแต่เรื่องหนักหนักหัวหนักสมองหนักจิตใจอะไรเต็ไมไปด้วยของหนักในโลกใจเราก็ดิ้นไปเรื่อยอยากจะพ้นไปจากที่ไม่ดีอยากอยู่ในสิ่งที่ดีๆมีแต่ความอยากใจดินรน อยากพ้นไปจากสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่ามันพ้นไม่ได้หนีไปได้ชว่วงหนึงนะ่งเดี๋ยวอารมณ์ที่ไม่ถูกใจมันก็ตามมาอีกเหมือนยังเราอยู่ในเมืองกรุงเทพหนึ่งอยู่ย่านนี้รถติดมากไม่อยากอยู่แล้วย้ายบ้านไปเดี๋ยวที่อื่นก็ติดเหมือนกัน คนไม่ได้ภาวนาเนี่ยเราจะโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นว่านําความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้เราเราก็ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีอยากได้สิ่งที่ดีใจเราร้อนไปด้วยหนักไปด้วยถ้าภาวนาเป็นนะค่อยๆภาวนาไปใจเราเห็นความจริง ใจเข้าถึงธรรมะของจริงจะพบว่าโลกข้างนอกนะจริงๆแร้ว่างเปล่าใจเราต่างหากนะที่วุ่นวายภาวานาไม่เป็นเราก็โทษว่าสิ่งอื่นทำให้เราวุ่นวายภาวานาเป็นเราจะรู้เลยว่าตัวเราเองแล้ว สร้างความทุกข์ความวุ่นวายให้จิตใจตนเองโลกข้างนอกมันก็แค่รูปที่เรามองเห็นเสียงที่เราได้ยินกลิ่นที่เราสัมผัสรสที่เราสัมผัสความเย็นร้อนนวลแข็งตึงไหวอะไรที่มาสัมผัสร่างกายโลกข้างนอกนก็แค่รูปเสียงกลิ่นรส สัมผัสเท่านั้นเองปุถะพระโดยตัวของมันเองแล้วมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่มีใครหยุดยัง้งความเปลี่ยนแปลงได้นี่พอเราภาวนาเราจะเห็นว่าตาเรามองเห็นรูปใจเร า, เาก็ก็ะเพื่อมบันไว้ชอบบ้างไม่ชอบบ้างเจอรูปที่พอใจก็ชอบ เจอรูปที่ไม่พอใจเขาไม่ชอบใจที่ชอบใจที่ไม่ชอบนี่ก็เพิ่มวันไหวถ้าเราดูเป็นเาจะรู้ว่าโลกรูปภายนอกนะว่างเปล่าไม่มีน้ำหนักอะไรเลยลองดูพระพุทธรูปข้างหลังหลวงพ่อสิหนักไหมไม่หนักไม่มีน้ำหนักอะไรเลย เรื่อโลกภายนอกจริงๆนะมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นไม่มีน้ำหนักอะไรใจเราที่เข้าไปแบบเข้าไปรับไว้มันหนักเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่ที่สวนโพสมัยอยู่แรกๆมันเป็นต้องนามองไปได้ไกลเป็นสิบสิบกิโลเลยจากสวนโพที่หลวงพ่ออยู่มองออกไป เห็นวกเขาสามลูกวกเขานี่มันเรียงกันสวยช่ไหมสามลูกมองจากสวนโพเนี่ยามลูกเนี่ยเท่าๆกันสวดทรงดีเข้าไปดูใกล้ๆนะเปลี่ยนมุมไปไม่สวยหรอกน่าเกลียดสามลูกนี่เรียงกันนะเว้นระยะห่างเท่าๆกันด้วยดูงามหลวงพ่อภาวนาหนะลวงพ่อก็ดูไปไปอยู่ใหม่ๆภาวนา กำลังเร่งความเพียรอยู่ดูไปที่ภูเขาภูเขาทั้งสามลูกนี่ไม่มีน้าหนักมันก็คือแสงที่มากระทบตาเราเท่านั้นเองแสงสะท้อนภูเขาไม่ได้มาทับเราสัหน่อยนั่นเราไม่ได้เป็นแบกไปหามไวนะ้ภูเขาก็ไม่หนักแต่ใจเราทั้งหกนะักที่หนัก โลกนี้ว่างเปล่าแต่ใจเราไม่ว่างเปล่าปัญหามันอยู่ตรงนี้ทั้งหกักปัญหาที่ทำให้เราทุกข์เสียงข้างนอกนะี่มันก็แค่ความสั่นสะเทือนของอากาศนี่พอเราไปรับรู้เขา้าเราก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างเกิดความหนักใจขึ้นม า, มาเสียงที่เพราะก็ทำให้ใจกระเทือน เสียงที่ไม่เพราะนะก็ทำให้ใจกระเทือนเสียงที่ชอบก็ทำให้ใจสะเทือนเสียงที่ไม่ชอบใจเก็กระเทือนเหมือนกันเสียงมันก็แค่เสียงแต่ใจเราอะมันไม่เท่ากันมันกับเพื่อหวั่นไหวกลิ่นรสสัมผัสอะไรก็เหมือนกันหมดเลยดูไปดูไปตัวที่เป็นปัญหาเนี่ยไม่ใช่โลกข้างนอก เโากข้างนอ ก, ก็เป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละอย่างคนเขาตีกันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราคนทะเลาะกันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราถ้าเราเข้าพวกเข้าข้างนี้เกลียดข้างนี้อะไรก็กรเทือนไปด้วยชอบไม่ชอบเกิดขึ้นใจก็กระเทือนเนี่ยพอเราเห็นความจริงเนี้เราค่อยสังเกตใจเร า, าตามองเห็นรูป จิตก็พอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบเกิดขึ้นแล้วจิตก็ดินน้นรนถ้าชอบก็อยากรักษารูบเสียงกลิ่นรสพุทธภานนั้นไว้นานๆถ้าไม่ชอบก็อยากให้รูบเสียงกลิ่นรสพุทภานั้นหายไปเร็วตรงที่ใจมีความอยากขึ้นมานะมันพอใจมันชอบมันอยากขึ้นมา เจออารมณ์ที่ชอบก็อยากให้มันอยู่นานๆมันหายไปนะั้นก็อยากให้มันคืนมาคือมันยังไม่มาก็อยากให้มันมาเร็วๆเจอของไม่ชอบก็อยากให้มันดับไปเร็วๆดับไปแล้วก็ไม่อยากให้มันมาอีกอใจเรามีแต่คำว่าอยากบ้างไม่อยากบ้างวนเวียนอยู่อย่างนีน้ตามความชอบความไม่ชอบ ใจเรา ย, ยังไม่เห็นความจริงว่าโลกมันก็เป็นแค่โลกรูปก็แค่รูปเสียงก็แค่เสียงกลิ่นรสโภพภะก็แค่กลิ่นรสโภทพะโัชภะคือสิ่งที่มากระทบร่างกายเรามันก็แค่ธรรมดาธรรมดานะมันโลกข้างนอกไม่ได้นำความทุกขความเดือดร้อนอะไรมาให้เราตัวที่ทำให้เรา ใจิตใจเราทุกข์คือใจเราเองที่ไม่ฉลาดมันไปหลงรักหลงชังสิ่งต่างๆงั้นพอเรามหัดภาวนา น, นเราจะเห็นตากระทบรูปใจยังไม่ว่าะไยเฉยๆในขณะที่ตาเห็นรูปเนี่ยใจยังเฉยเฉยอยู่เสร็จแล้วมันเกิดการแปลกความหมาย วัน น, น, น, นี้รูปนี้คือคนนี้รูปนี้คือคนนี้คนเนี้ยนิสัยดีคนนี้สวยนะเราพอใจอนะไรเงี้ยใจเราก็เกิดชอบขึ้นมาพอชอบเราก็อยากได้คนเนี้ยมาอยู่กับเราแล้ได้มาแล้วอูเราจะต้องมีความสุขมากแต่จริงๆความสุขไม่เคยเที่ยงเลยสุขแค่เวลาที่นึกถึงอารมณ์ที่ถูกใจอันนั้น พอไปนึกถึงสิ่งอื่นความสุขจากสิ่งนั้นจากคนนั้นก็ไม่มีจริงเลยความทุกข์ก็เหมือนกันมันทุกข์อยู่ช่วงการคิดของเราเท่านั้นเองอย่างเราอกหักพวกเราหลายคนคงจะอกหักเคยเป็นเวลาเราอกหักเราสังเกตไปเนะมันไม่ได้อกหักทั้งวันทั้งคืน มันโอหักตอนที่เราคิดถึงเขาเท่านั้นแหละถ้าเราตอนนั้นต้องไปคิดเรื่องอื่นเราก็ไม่โอหังความทษกจากการโอหักก็เป็นแค่ความคิดของเรามาจากความคิดของเราไม่ใช่มาจากคนอื่นเลยอย่างเราเห็นคนตีกันนะเราไม่ได้ไปยุ่งด้วยไม่ได้เป็นพวกไหน มันก็แค่รูปที่เห็นเห็นคนก็เตีอันมันก็เหมือนเราดูโทรทัศน์ดูหนังอะไรเงี้ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแต่ถ้าเราแค่ดูหนังนะไม่ใช่ของจริงดนะแล้วเราอินใจเราก็กระเทือนหนังมันเล่นอย่างนี้อย่างนี้เราก็ร้องไห้ได้มันเล่นอย่างนี้เราก็หัวเราะได้ทั้งที่มันเป็นแค่รูปที่ตามองเห็นเท่านั้น มันเป็นแค่เสียงที่เราได้ยินเท่านั้นเองอย่างเราได้ยินคนมาเล่าอะไรอย่างเงี้ยคลื่นเสียงมันกระทบหูเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นใจเฉยๆแต่พอเราแปลความหมายแล้วมันขาบ้างฟังแล้วเศร้าบ้างโกรธบ้างอะไรเงี้ยมันมาจากใจเราทั้งนั้นเลยยิ่งถ้ายพยายามเรียนรู้ลงมาที่ใจเรานะตาเห็นรูป จิต ช, ชอบไม่ชอบขึ้นมายินดียินร้ายขึ้นมาแล้วก็เกิดความอยากเกิดความยึดถือเกิดความดิ้นรนแล้วก็เกิดความทุกข์เกิดความอยากก็คือตัวตัณหาอยากมากๆาก็ยึดถือตัวนี้ตัวป่าทานกเกิดความดิ้นรนตัวนี้คือตัวภพแล้วก็มีตัวครูข้นมา คือตัวชาติแล้วก็มีตัวทุกข์ตามมามีความอยากมีความยึดมีความดิ้นรนมีตัวเราขึ้นมาแล้วก็มีตัวทุกข์ขึ้นมาวพราน่ความทุกข์ในใจนะนมันเป็นกระบวนการปรุงแต่งภายในใจของเราเองคนอื่นสิ่งอื่นนะสร้างปัญหาให้ชีวิตเราได้ อย่างตก ง, งานเป็นปัญหาอกหักเป็นปัญหาไปทุรา่ารารถติดไปไม่ได้นะเป็นปัญหาแต่มันไม่ใช่ความทุกข์ความทุกข์มันต้องผ่านกระบวนการปรุงแต่งในใจของเราเสีย ก, ก่อนอารมณ์นี้ชอบใจอารมณ์นี้ไม่ชอบใจเกิดอยากเกิดยึดเกิดความดิ้นรนปรุงแต่ง เกิดตัวเราของเราเราอย่างโน้นเราอย่าง น, น, าางนี้เราแย่แล้วเราไปไม่ทันแล้วตามนัดรถติดแล้วเราก็ทุกข์งั้นความทุกข์จริงๆเป็นกระบวนการที่ใจิตใจเราปรุงแต่งขึ้นมาส่วนโลกข้างนอกนั้นมีแค่ปัญหาเท่านั้นเองปัญหากระทุกเป็นคนละอย่างกันปัญหานะ มันเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างใครเคยอ่านสามก๊กนะั่นจะเข้าใจเริ่มต้นของหนังสือสาม ก, ก๊กบอกว่าแผ่นดินจีนนะเป็นสุขแล้วก็เป็นศึกรือสงบแล้วก็เกิดสงครามสลับกันอยู่อย่างเงี้ยไม่เคยยุติเลยที่จริงแล้วมันไม่ใช่เฉพาะเมืองจีนนะที่ไหนก็เป็น เมืองไทยเห็นมสงบอยู่ได้ ไ, ม, ไม่กี่พีก็ต้องวุ่นวายอีก ว, วุ่นวายอยู่ช่วงหนึ่งเดี๋ยวก็สงบอีกมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเนี่ยโลกมันกระเพื่อมหวั่นไหมโลกมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ใจเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์อยู่ที่ตัวเราเองงั้นพยายามมาเรียนรู้ความจริงนะให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปสัมผัสนะมันเป็นแค่ของโชคราว ใจิตใจของเราที่ไปสัมผัสอารมณ์ภายนอกก็เป็นของชั่วคราวไม่ยั่งยืนบังคับไม่ได้เช่นเดียวกับของข้างนอกเเราภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยถึงจุดหนึ่งนะใจมันคลายความยึดถือออกไปมันจะไม่ทุกข์เพราะสิ่งที่มันไม่ยึดมันทุกข์ก็เพราะว่ามันยึดไม่ทุกข์มันไม่ยึด นทําทำไงจะไม่ทุกข์เราภาวนาไปสิสังเกตดูในใจเราตาหูจมูกเล่นกากระทบอารมณ์ภายนอกใจกระทบความคิดของตัวเองความจำได้หมายรู้ของตัวเองแล้วมันเกิดชอบไม่ชอบขึ้นมาให้รู้เข้าไปถ้าเรารู้เข้าไปกระทบอารมณ์อย่างนี้ชอบรู้ทัน กระทบอารมณ์อย่างนี้ไม่ชอบรู้ทันดูแค่ใจชอบใจไม่ชอบเท่านี้แหละพทุกได้นะพูดอย่างเสียงดังนิดนึงนะด้วยความมั่นใจแค่เห็นใจที่ชอบใจที่ไม่ชอบดูไปก็กระทบรูปอย่างนี้ชอบกระทบรูปอย่างนี้ไม่ชอบได้ยินเสียงอย่างนี้ชอบได้ยินเสียงนี้ไม่ชอบเราเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้นะ ต่อไปไมันจะเห็นเลยความรู้สึกชอบนะก็ไม่ยั่งยืนความรู้สึกไม่ชอบก็ไม่ยั่งยืนว่าเห็นตรงนี้แล้วนะีความยินดียินร้ายอะไรต่างๆัะค่อยๆลดลงอย่างเรารักร่างกายเนะี่ยร่างกายก็เป็นของถูกรู้ถูกดูเมืนะ่อมันดูใกล้ตัวเข้ามาอีกไม่ต้องดูลกข้างนอกดูใกล้ตัวเข้ามาอีก เวลาร่างกายเราเจ็บป่วยอะใครเป็นคนเจ็บความเจ็บมันอยู่ที่ร่างกายใช่ไหมแต่ทำไมใจเป็นทุกข์ร่างกายเป็นวัตถุร่างกายไม่เคยเจ็บจริงความเจ็บปวดทั้งหลายในร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลดปลอมเข้ามาในร่างกายอีกทีหนึ่งมันไม่ใช่ตัวร่างกาย อย่าร่างกายเรานั่งอยู่นั่งอยู่นานๆมันเมื่อยขึ้นมาเนี่ยเคยเห็นไหมว่าความเมื่อยกับร่างกายเราคนละอันกันร่างกายมันนั่งอยู่ตั้งนานแล้วมันยังทีแรกมันไม่เมื่อยนั่งไปนั่งหม่มันเมื่อยขึ้นมาความเมื่อยกับร่างกายก็เป็นคนละอันกันเนี่ยย้อนมาดูนะมันก็คล้ายๆของข้างรอกนั่นแหละอารมณ์นี้ชอบอารมณ์นี้ไม่ชอบ นในร่างกายเราเนี่ยมีความเจ็บปวดอะไรเกิดขึ้นนะใจมันไม่ชอบร่างกายไม่เคยบน่นแต่ใจบน่นใครเป็นคนเจ็บมันเจ็บอยู่ที่กายใจไม่ได้เจ็บแต่ใจเป็นคนบน่นนี่ค่อยๆดูลงไปเวลาร่างกายมีความสุขจีตใจก็เป็นคนเพลิดเพลิน ใครกินข้าวแล้วเพลิดเพลินบ้างมีไหม ย, ยกมือให้หลวงพ่อดูซิตอนกินแล้วมีความสุขเพลินใครเป็นคนกินร่างกายเป็นคนกินใจเป็นคนเพลินใช่ไหมใจเนี้ยนะวุ่นวายกับเขาทุกอย่างวุ่นวายกับสิ่งภายนอกไม่พอนะมาวุ่นวายกับร่างกายมาวุ่นวายกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกาย แล้วก็วุ่นวายกับความคิดของตัวเองความปรุงดีปรุงชั่วของตัวเองนีนจิตใจมันเป็นตัวยุ่งที่สุดเลยนี่เรามาเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจิตใจเราชอบก็รู้จิตไม่ชอบก็รู้จิตมันสุขมันก็ชอบมันไม่สุกมันก็ไม่ชอบนี่นเฝ้าดูเฝ้าดูลงไปแล้วมันอยากนะมันอยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้ พอมีความอยากเกิดขึ้นใจก็เริ่มที่นรนเข้าไปยึดถือจริงจังยิ่งยึดมากก็ยิ่งดิ้นรนมากยึดน้อยก็ดิ้นรนน้อยอย่างสมมติพ่อแม่เราจะตายอเงี้ยเรายึดถือแรงเราไม่อยากให้ตายยังไงก็ไม่ยอมให้ตายพยายามรักษาเต็มที่เลยดิ้นรนมากเราอยากให้เขาอยู่นานๆลืมถามไปว่าเขาอยากอยูอย่หเปล่า เขาเจ็บมากๆเขาใจไม่อยากอยู่ก็ได้ใจเราท่างหากอยากอยากมากก็ยิ่งดิ้นรนมากอยากน้อยก็ดิ้นรนน้อยไม่อยากก็ไม่ดิ้นรนถ้าไม่ดิ้นรนก็ไม่ทุกข์มันทุกข์เพราะมันดิ้นไม่ไดยงเวลาเราไม่สบายมากๆนะเราอยากหายนะแล้วมันทาท่าจะตายทนะุกข์มากนะ แต่ถ้าเราไม่ได้มีความอยากว่าร่างกายต้องอยู่กับเราได้ร้อยยี่สิบปีอะไรเงี้ยหรือร้อยปีคิดแค่ว่าเอออยู่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นใจไม่ดินรนมากใจไม่ถูกอันไหนที่ห่วงมากรักมากดินรนมากก็ทุกมากห่วงน้อยยึดถือน้อยดินรนน้อยก็ทุกน้อย ไม่มีความหวงแหนนะไม่มีความยึดถือไม่มีความดิ้นรนก็ไม่ทุกข์มันจะหมดความหวงแหนดิ้นรนได้นะต้องเห็นความจริงคอดูความจริงของร่างกายดูความจริงของจิตใจไปมันหวงแหนอะไรบ้างมันหวงแหนร่างกายมันหวงแหนความรู้สึกดีๆมันเกลียดอะไรมันเกลียดร่างกายที่ไม่ดีร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายจะตายอะไรอย่างเงี้ ไม่ชอบเนีรเงี้ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะเงี้ยห็นนะร่างกายมันเคลื่อนไหวเปลีป่ยนแปลงไปตามธรรมชาติธรรมดามันเกิดมาแล้วมันก็โตขึ้นมาแล้ ว, ม, ม, ลวมันก็แก่ไปมันก็เจ็บแล้วมันก็ตายไปใจเห็นความจริงใจยอมรับความจริงสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปใจยอมรับความจริงได้ใจก็จะไม่ดินน้นรนไม่ปฏิเสธความจริง แก่ขึ้นมาก็ไม่ปฏิเสธความจริงใจก็ไม่ดิ้นรนใจก็ไม่ทุกข์เจ็บเื่อนมาก็ไม่ปฏิเสธความจริงว่าเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องอยากไม่ต้องไม่เจ็บป่วยเลยอย่างงี้ไม่อยากไม่ยึดไม่ดินรนก็ไม่ทุกข์อีกร่างกายมันก็เป็นอย่างที่มันต้องเป็นถึงเวลามันก็ตายไปแตกสลายไปใจมันไม่ได้เกี่ยวข้อง ความรู้สึกในใจเราก็เหมือนกันความสุขความทุกข์ความดีความชั่วทั้งหลายเรามีสติรู้เท่าทันเราก็เห็นว่าทุกอย่างมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปไม่มีอะไรคงที่ความสุขในใจเราไม่คงที่ความทุกข์ในใจของเราก็ไม่คงที่ความเฉยเยไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่คงที่ความดีทั้งหลายก็ไม่คงที่ ก็ความดีคงที่นะความดีพัฒนาไม่ได้เพราะมันคงที่นี่ความดีไม่คงที่มันจะเพิ่มขึ้นอาจจะลดลงความชั่วก็ไม่คงที่อาจจะเพิ่มขึ้นอาจจะลดลงอาจจะหายไปเนะี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงในใจของเรานะสุขทุกข์เฉยๆในใจดีชั่วโลภกรดลงอะไรในใจเฝ้ารู้เฝ้าดูไปจนมันเห็นความจริงธรรมดา มันธรรมดาธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ตรงที่เอาคำว่ามันเป็นอย่างนี้นะก็คือเป็นธรรมดามันต้องเป็นอย่างนี้ธรรมชาติคือสภาวะที่เกิดขึ้นมาชาติคปอว่าความเกิดธรรมชาติคือสภาวะที่ยังเกิดได้ส่วนธรรมะเป็นสัจจะเป็นความจริงไม่ตายความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย เพะอย่างเราเห็นร่างกายนะี่ยร่างกายเป็นธรรมชาติเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วในใจเราก็มีธรรมชาตนะิที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องดับไปเหมือนกันเฝ้ารู้จนเราทั้งเราเห็นยอมรับความเป็นธรรมดาของมันธรรมดาของกายซึ่งเป็นธรรมชาติที่เกิดดับเนะี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ธรรมดาของจิตใจซึ่งเป็นของเกิดดับก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียนรู้ของที่ไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนนะจนเห็นว่ามันธรรมดาตรงที่มันธรรมดาเนี่มันยั่งยืนมันไม่ตายความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเหมือนนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้ความจริงอันนี้ก็ยังมีอยู่ นิพพานไปแล้วความจริงก็ยังมีอยู่สัจธรรมยังดำรงอยู่เราจะภาวนาดูความจริงของธรรมชาติที่เกิดดับนี่แหละจงเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นใจยอมรับความจริงได้เรียกใจเข้าถึงธรรมะเข้าถึงความจริงใจก็หมดความดิ้นรนหมดความรักหมดความหวงแหนในของซึ่งไม่ยั่งยืน เมือมันเป็นอย่างนี้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในจิตใจจิตใจอย่าไม่ยึดถือไม่หวั่นไหวแล้วเราจะพบอย่างหนึ่งเมื่อพานาไปถึงจุดสุดท้ายแล้วเนี่ยใจของเรากัโลกภายนอกเนี่ยเสมอกันโลกภายนอกว่างเปล่านะเป็นความว่าง ใจเราก็เป็นความว่างใจที่มันไม่ว่างมาแต่ก่อนนะเพราะมันโง่มันไม่เข้าใจความเป็นจริงคือไม่เข้าใจธรรมะของธรรมชาติเราพามันเรียนรู้ความจริงของร่างกายจิตใจไปร่างกายจิตใจเป็นตัวธรรมชาติธรรมชาติคือสภาวะที่เกิดเกิดได้ก็ดับได้ส่วนธรรมะเฉยๆไม่มีเกิดไม่มีดับ เนี่ยเราเรียนนะจนเนือท่านเข้าใจธรรมชาติของกายโอ้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายโอเคแค่นี้ไม่หวั่นไหวละเข้าใจธรรมชาติของความรู้สึกนึกคิดในจิตใจมันต้องเปลี่ยนแปลงโอเคมีแล้วก็มีหมดเข้าหมดใจไม่ก็เพิ่มหวันไหวใจไม่ก็เพิ่มไมราบราบเป็นนักลองเลยสำนวนโบราณราบเทียบเป็นนักลอง สมัยนี้คงไม่รู้จักกลองแล้วไม่รู้จะเรียบเหมือนอะไรเรียบเหมือนกระจกมั้เรียบเรียบเรียบเหมือนแผ่นกระจกโลกภายนอกมันว่างเปล่าอยู่แล้วใจท่างหากเข้าไปยึดถือโลกภายในคือจิตใจของเรามันมีน้ำหนักขึ้นมาเพราะมันไปยึดถือสิ่งต่างๆ เมื่อมันเห็นความจริงของกายของใจเห็นความจริงของธรรมชาติทั้งหมดเห็นความจริงของโลกถ้าเรียนรู้ลงามาที่กายหรือใจตัวเองจนจมแจ้งนะจะเข้าใจโลกทั้งโลกเลยที่เรียกว่าโลกกับอีทูเข้าใจโลกอย่างจำแจ้งเพราะมันเป็นสิ่งเดียวกันร่างกายเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกรู้สึกไหมร่างกายเราเป็ น, ปนสมบัตของโลกนะเป็นวัตถุธาตุเราผลิตธาตุก้อนนี้ขึ้นมาได้เองเหรอ ไม่ได้แต่ใจเราเข้าไปยึดถือนี่เราก็เกดิอดร้อนขึ้นมาเพราะไอ้ตัวนี้แก่ตัวนี้เจ็บตัวนี้ตายตัวจิตใจความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมันก็แค่ความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเองเหมือนฝันฝันอยู่ถึงเวลาก็หมดไปสิ้นไปถ้าใจเรายึดถือเราก็ทุกข์นี่เรียนรู้ความจริงนะในรูปธรรมในนามธรรมา จนเข้าใจว่าโอ้ธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้ธรรมดาของธรรมชาติก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอใจเข้าใจตรงนี้นะใจก็ไม่เข้าไปยึดถืออย่างเราภานาเนี่ยเห็นวนะ่ากายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตมันปล่อยวางกายนะมันไม่ยึดถือกายเพราะนจะไม่ทุกเพราะกายอีกแต่ถ า, ถามว่ากายเจ็บได้ไหมกายเจ็บได้กายแก่ได้กายตายได้เป็นธรรมชาติอย่างนั้น แต่จิตมันเข้าถึงธรรมมันรู้ว่าธรรมดาคําว่าธรรมก็คือธรรมดานะั้นแหละธรรมดาของร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเั้นเวลากายจะแก่จะเจ็บจะตายธรรมดาใจไม่ทุกด้วยเวลาความรู้สึกนี่คิดทั้งหลายผ่านมานะความสุขผ่านมาเราก็รู้ของธรรมดาเดียวก็หายไม่หวั่นไหวไม่หลงเพลิดเพลิน ความทุกข์ผ่านมาก็รู้ว่าธรรมดามันจะต้องหายไปใจก็ไม่ได้ชิงชังรังเกียจเลยใจเสมอภาคนะกับทุกสิ่งทุกอย่างอใจมันเสมอภาคแล้วเนี่ยมันไม่กระเพื่อมหมั่นไว้ไม่ดิ้นรนปรุงแต่งใจมันพนจากทุกนาะแล้วเราจะพบว่าใจเราเนี่ยไม่มีน้ำหนักโลกข้างนอกไม่มีน้ำหนักใจนี้ก็ไม่มีน้ำหนัก จิตใจกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่คําว่าธรรมชาติกว้างนะตั้งแต่ความรู้สึกร่างกายโลกภายนอกไม่เป็นธรรมชาติรุดเลยจิตของเรากับธรรมชาติที่แวดล้อมจิตอยู่นะเป็นสิ่งเดียวกันเสมอกันเป็นความว่างเปล่าเสมอกันไม่มีตัวตนไม่มีเจ้าของเหมือนเหมือนกันถ้าเข้าถึงตรงนี้แล้วนะเราจะเข้าถึง ความสุขที่ไม่มีอะไรเสมอเหมือนนี่บอกนิพพานังประมังสุขขังนิพพานัประมังสุนอย่างว่างงั้นนิพพานไม่ได้ภานาไปแล้วก็ตายไปแล้วก็ไปถึงนิพพานนะนิพพานนิพพานตั้งแต่เถยวนี้เลยใจพ้นจากตัณหามาถือนิพพานตรงนั้นเลยพ้นจากความอยากพ้นจากความยึดพ้นจากความดิ้นรน ลงแต่งก็ถึงพระนิพพานตรงนั้นแล้วยากไหมเรียนรู้ธรรมชาติจนเห็นว่าธรรมดาของธรรมชาติเป็นยังไง ร, ร่างกายเราเป็นธรรมชาติธรรมดาของมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายก็เป็นธรรมชาติเกิดแล้วต้องดับทั้งสิ้นควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ ใจเห็นความจริงของใครของใจซ้ําแล้วซ้ําอีกนะในสกปรกวางถ้ายังดูเข้ามาไม่ตื่นวันนี้ดูโลกข้างนอกก็ได้เวลาคนที่เราไม่รู้จักตายเนะี่ยใจเราวันไหวไหมคนที่เรารักตายใจเราวันไหวไหมคนสองคนมันก็คนเหมือนกันแต่ทําไมเราวั่นไหวไม่เท่ากันใจเราให้ค่าไม่เท่ากั น, นที่จริโลกเนี้ไม่ได้มีอะไร ร่างกายนี้ก็ส่วนหนึ่งของโลกถ้ามันต้องตายมันก็เหมือนคนอื่นตายคนที่เราไม่รู้จักคนแปลกหน้าตายเราเฉยๆนั้นใจมันจะไมตดิมีถต่ความสงบสุขนะไม่ต้องเรียกร้องหาสันติภาพที่ไหนหรอกสันติภาพในโลกไม่มีพระโลกนี้ก็เพื่อมันใหม่อยู่ตลอดเวลาสันติภาพอยู่ในใจของเราเองไม่ต้องเรียกร้อง พอเรียงร้องอยังไงก็ไม่ได้ยิ่งอยากยิ่งไม่มีสันติภาพหมดอยากนั่นแหละถึงจะเจอสันติภาพภาวนานะถ้าวันหนึ่งจะเห็นของดีของวิเศษเส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ น, นานๆถึงจะเกิดขึ้นครั้งหนึง่งนานถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาสอนช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราระลึกชาติได้นะครวชาอาจาร์ท่านเคยบอกว่า มันใจมันวังเวงไม่ชั่วเพราะว่าเคยชินที่จะไม่ชั่วไม่ยอมทำชั่วหรอกมีศีลศีลมีมาก่อนพระพุทธเจ้าศีลมีอยู่แล้วพวกนักปราชญ์เขาคิดศีลขึ้นมาได้สมาธิก็มีอยู่แล้วตัวที่ขาดก็คือปัญญาที่จะเห็นความจริงของธรรมชาติวิธีการที่จะเห็นความจริงของธรรมชาติ คือวิปัสสนากรรมฐานถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่มีการสอนวิปัสสนาในพวกเรามีบุญนะเราอย่างทันได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะสูญหายไปอย่าประมาทนะรีบปฏิบัติเขารีบเรียนรู้รีบปฏิบัติฟังรอบเดียวไม่เข้าใจไปดู y o u t u b หลวงพ่อดูหลายๆที่หลายๆครั้งนะเดี๋ยวก็เข้าใจ ต้องรีบแล้วนะช้าไม่ได้นะอย่านึกว่าศาสนาพุทธจะอยู่ในเมืองไทยตลอดไปนะสถาบันอะไรอะไรนี่คือคนมันสั่นคลอนไปหมดศา ส, สนาจะมีความหมายอะไรสุดท้ายไม่มีเนี่ยหลวงพ่อที่ทุ่มเทสอนไปเมืองจีนสอนไปอไนะหไเนี่ยวังจะกระจายธรรมะออกไปต้นไม้ในป่าตรงนี้อาจจะต้องสวนพันธ์ไป แต่เราหวานมาเมล็ดลงไปที่อื่นนะหวานมาเมล็ดพันุ์ลงไปที่อื่นยังอาจจะไปอยู่ที่อื่นแล้วพวกเราถ้าวันหนึ่งต้องเดินนนคนขวายไปเรียนศาสนาพุทธจะประเทศอื่นนะมันลําบากกว่าที่จะเรียนตอนนี้เยอะเลยแค่ภาษาก็ลำบากแล้วนะยังคนจีนมาเรียนกับหลวงพ่อนะ่มาเนีนแต่พูดไม่รู้เรื่องอ่ะเดี๋ยวนี้เริ่มพูดรู้เรื่องแล้วนะภาวนากันดูความเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนนะ ดูดีขึ้นเยอะเลยเขาเริ่มเข้าใจหลวงพ่อหวังว่าคนเหล่านี้และต่อไปจะกลับไปเมืองจีนได้นะเอาธรรมะไปเผยแพร่พได้เพื่อคนไทยรักษาไปไม่ได้เด็กร้นหลังๆไม่ได้สนใจธรรมะแล้วนะอะไรๆก็ไม่สนใจนะมันเชื่อแต่เพื่อนนั้นเป็นธรรมชาติของเด็ก แล้วเพื่อนมันก็คุยกันทางไลน์ทางเฟซทางไอจี IG, ทางอะไรมันมก็มเชื่อเชื่อตามๆกันไปเพราะที่จริงเป็นไงไม่ได้รู้เรื่องเพราะเขาสํารวจแล้วคนไทยไม่ค่อยอ่านหนังสืออ่านหนังสือน้อยรางั้นความรอบรู้จริงๆอะไรไม่มีมันก็แล้วแต่ใครก็จะ ย, ยุใครก็จะชักจูงไปงั้นคนเหล่านี้รักษาชาติบ้านเมืองไม่ได้หรอกนะไม่มีคุณภาพไม่รู้เหตุรู้ผลอะไร การศาสนาจะหมดเราต้องเรียนตอนนี้ยังไม่หมดรีบเรียนไว้แล้วรีบภาวนาให้เราได้แก่นสารสาระนะอย่างน้อยได้เป็นพระโสดาบันไหมก่อนโสดาบันนะเห็นความจริงแล้วตัวเราไม่มีกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราไม่มีตัวเราที่ไหนเลยนั่นเราเรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจแนละ้วดูไปเรื่อยเอยเห็นมันทํางานได้เองไม่ใช่เราหรอกได้ธรรมะขึ้นมานะ ถ้าต้องตายไปไน้โซดาแล้วต้องตายไปก็เกิดอีกไม่กี่ครั้งเดี๋ยวก็จบแล้วใจมันแทบแมันหล่นลงไปในกระแสน้ำที่เชี่ยวนะถูกน้ำซัดไปเดี๋ยวก็ออกไปถูทะเลได้ถ้ายังติดอยู่บนภูเขาอะไรงเงี้ยห่างไกลทะเลลำบากพวกเราเรียนรู้ให้เข้าใจนะ มีเมียก็ไปบอกเมียมีสา ม, มีก็ไปบอกสา ม, มีมีลูกก็ไปสอนลูกแต่จะสอนลูกให้มันเชื่อเราต้องทำให้มันดูนะถ้าเรายังอารมณ์ร้ายเรายังติดวายยมุกติดยาเสพติดเรายังเจ้าชู้อยู่สอนมันมันไม่เชื่อหรอกฝึกตัวเองให้ดีแล้วก็ทำให้ลูกมันดูทำตัวอย่างให้ดีค่อยๆถ่ายทอดทำออกไป หลวงพ่อตั้งใจไว้เรื่องเดียวแ่เนยังไงไงธรรมะต้องไม่ดับลงในมือเราต้องส่งทอดออกไปให้ได้นี่ทีมที่ทำงานให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยกันทำเนี่ยมีปณิธานอันนี้ด้วยกันหนึ่งช่วยกันทำบูรณาธิํารทำไลทํทำอะไรทำซีดีทำหนังสื อ, อพอาสมควรแล้ว ไปพักเพียรนะอย่าปล่อยเวลาให้หมดไปเปล่าเปล่าหมายเลขสามครับฟังหลวงพ่อมาสามปีเดือนที่แล้วมาวัดหลวงพ่อบอกว่าฟังอย่างเดียวไม่ได้ต้องปฏิบัติ ด, ด้วยถ้าอยากผลทุกต้องฝึกหนักเดือนครึ่งที่ผ่านมาจึงฝึกทำในรูปแบบและพยายามทำสมถะในระหว่างวัน พบว่าจิตใจเปลี่ยนไปอยากให้หลวงพ่อชีนะเพิ่มเติมด้วยค่ะก็ดูดีขึ้นแล้วนะยายมฝึกตัวเองไปใจเราล่องลอยไปก็รู้เราบังคับกายบังคับใจให้เคลื่นเครียดเราก็รู้รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นรู้ไปเรื่อยๆไม่บังคับมันแล้วก็ไม่ลืมมันฝึก อ, อย่างเนี้ยใจมันจะพัฒนาขึ้นมา ตอนนี้รู้สึกไห้ใจเราโปร่งใ้เราเบาขึ้นสบายขึ้ น, นค่อยๆฝึกเราไม่ได้ฝึกให้ใจสบายหรอกใจสบายเป็นผลพลอยได้จากการมีปัญญาเห็นความจริงของร่างกายของจิตใจเป็นผลพลอยได้เท่านะั้นตัวความสุขไม่ใช่เป้าหมายเราพยายามฝึกนะันใจมันเห็นความจริงแล้วมันจะวางยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยไม่ยึดไม่ทุกหรอกแค่นั้นแหละ ไปฝึกเอนะหมายเลขสิบสามครับปัจจุบันชีวิตประจำวันจิตมีโมหะโกรธง่ายและขณะภาวนาก่อนนอนนั่งสมาธิสวดมนต์จิตจะชอบฟุ้งซ่านและหงุดหงิดใจสวดมนต์มาตั้งแต่เด็กแต่ไม่สามารถจำบทสวดมนต์ได้สักที <c oughs> บทอะไรเนี้ย ยาวมากเลยจายาวๆไม่ได้เราจาสั้นๆพุโทโธธรมโมสังโฆอะไรสวดแค่นี้ก็พอแล้วสวดไปเรื่อยๆสวดไปทั้งวันพุโทโธธรมโมสังโฆสวดไปนะใจเราฟุ้งซ่านก็รู้ใจเราสงบก็รู้ไม่ทํานะสวดไปพุโทโธธรมโมสังโฆ ร, ระหว่างคิดพุดโทโธธรมโมสังโฆไม่โมโหหรอก เหลอแล้วมันถึงจะโมโหได้ย้ำนึกถึงสวดมนต์สั้นๆสวดไปเรื่อยๆสวดยาวไม่ได้ก็สวดสั้นๆเห็นจะเป็นไรแค่ให้ใจมีเครื่องอยู่อยู่กับการสวดมนต์ไปแล้วพอใจเราหนีเราก็รู้ทันใจเรากลับมาเราก็รู้ทันใจเราตึงเครียดเราก็รู้ทันใจเราสบายเราก็รู้ทันฝึกอย่างนี้เดี๋ยวก็ดีเองแหละ ไม่แน่ใจว่าการปฏิบัติอยู่ในร่องในรอยไหมคะอยู่ดีขึ้นแล้วไปทําอีกทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนะส่วมดมนต์แล้วก็รู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปส่วนเฉยๆอะพุโทโธตะโมสังโฆพุโทโธตะโมสังโฆอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันสบายใจก็รู้มันไม่สบายใจก็รู้มันสงบก็รู้มันฟุ้งซ่านก็รู้ไม่ต้องไปหานะว่าตอนนี้สงบหรือไม่สงบตอนนี้สุขหรือไม่สุขไม่ต้องไปหามันนะ ความรู้สึกมันเด่นขึ้นมามันรู้ของมันเองนะถึงจใช้ได้หมายเลขสี่สิบหกครับส่งการบ้านครั้งแรกค่ะปฏิบัติด้วยวิธีการดูจิตในชีวิตประจำวันโกรธก็รู้ทันชอบก็รู้ไม่ชอบก็รู้ทันแต่บางครั้งจะมีความคาดหวัง กับคนรอบข้างมากเกินไปจนเกินทุกข์เรายึดควรอบข้างเราก็ทุกข์เพราะคนรอบข้างเลยเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเราอยากให้เขาเป็นอย่างนี้เราอยากให้เขาไม่ทําอย่างนั้นอยากให้เขาไม่ทําอย่างนี้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากเฝ้ารู้เฝ้าดูไป อย่าว่าแต่คนอื่นเลยตัวเราเองก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากพอเข้าใจตรงนี้แล้วความจะอยากความจะยึดถือคนรอบๆตัวก็จะลดลงมันทํายากหลวงพ่อรู้การจะปล่อยวางคนรอบตัวไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราเยอดมากเราก็ทุกโดยเปล่าประโยชน์มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่ถ้าเราอยากให้เขาดีอยากให้เขาไม่ทําชั่วอะไรเงี้ย แล้วเราก็รู้ทันใจที่กังวลใจเราสบายแลสติปัญญามจะเกิดนะมันจะรู้วิธีว่าควรจะปฏิบัติยังไงกับเขายิ่งเราไปใช้ความรุนแรงกับเขายิ่งไม่ได้ผลอย่างเงี้ยไปเขี่ยเข็นไปบังคับยังผู้หญิงเนี่ยจะมีนิสัยขี้บ่นเยอะนะแต่เดี๋ยวนี้ผู้ชายก็เป็นนะเพราะผู้ชายยีนมันเสื่อมแล้วโครโมโซมมันเริ่มเสื่อมมันเป็นโครโมโซมผู้หญิงเยอะขึ้นละ ยกขี้บน่นผู้หญิงไม่พอใจก็ไปชกไปต่อยไม่ได้อ่ะสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเก่งงั้นผู้หญิงทําอะไรไม่ได้ก็บน่บนบน่บนไปผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็อ่อนโยนนะก็เริ่มขี้บ่นเหมือนกันอ้อนลําพันอะไรเงี้ยเนี่ยค่อยรู้ค่อยดูไปะถ้าเราใจเราสงบใจเราสบายแล้ว มันจะรู้ว่าควรจะทำอะไรจะ แ, แก้ปัญหายังไงแค่ไหนแค่ไหนทำได้แค่ไหนทำไม่ได้มีสเต็ปของมันแก้ทันทีทั้งหมดไม่ได้ทำไงจะปรับนิดหน่อยปรับเขานิดนึงก็ยังดียางเขาชอบกินเหล้าทุกวันเนี่ยทำยังไงจะไม่ต้องไปกินอนอกๆนะเดี๋ยวติดโควิดมากินที่บ้านอะไรเงีย้งคยค่อยๆหลอกเนี้ยค่อยๆปรับวิธีการ การสอนคนใกล้ตัวยากเป็นที่สองนะสอนตัวเองยากที่สุดสอนคนใกล้ตัวยากเป็นที่สองสอนคนอื่นง่ายพูดอะไรก็ได้ดูเขาสอนกันเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมทำไมนายกไม่ทำอย่างนี้ควรจะทำอย่างนี้ขืนเองเป็นนายกเนี่บ้านเมืองพินาศหมดลนะสอนคนอื่ น, นง่ายนะสอนคนอื่นง่ายนะไปฝึกเอานะ ทำใจตัวเองให้มันสงบสบายก่อนแล้วปัญญามจะเกิดจะรู้ว่าจะแก้ปัญหาอะไรแค่ไหนเมื่ อ, อไร ม, มีเวลาด้วยหมายเลข7จสบอ็ดครับโยมปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อได้สองปีกับสิบเดือนอยู่กับลมหายใจแล้วดูกายดูใจปีแรกเห็นกิเลสผุดขึ้นกลางอก เห็นใจที่ดิ้นอยู่ในกรงเห็นติดเพ่งติดดีค่ะมากราบถามหลวงพ่อว่ายังเพ่งอยู่ไหมหลวงพ่อเมตตาตอบว่าเดี๋ยวหายโยมเลยกลับไปดูตัวอยา่างดีเห็นกิเลสร้ายซ่อนอยู่ลึ ก, ลกๆค่ะแล้วหลงบ่อยโทสะที่เกิดขึ้นเห็นใจที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขอกราบหลวงพ่อเมตตาช่วยชี้แนะด้วยค่ะ เห็นนาเห็นถ we ูกแล้วนะแต่ย no like ังไม่ค we ่อยยอมรับเงะนนเราเห็นสภาวะทั้งหลายถ้วใจเราไม่ชอบใจเราไม่ยินดีอะไรี้รู้ทันมันไปอย่างบางทีเราภาวนาเราอยากจบเร็วๆอะไรเงี้ยก็รู้ทันความอยากของเราเห็นกิเลสล้วอยากให้มันละเร็วๆก็รู้ทันความอยากของเราไปรู้สภาวะทั้งหลายด้วยความเป็นกลาง ตอนนี้เห็นหรือยังว่าตามองเห็นตัวนี้ก็กระเพิ่มหูได้ยินเสียงนะในหนาอกนี้ก็เพิ่มจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดตัวนี้ก็กระเพิ่มมีความสุขก็กระเพิ่มมีความทุกข์ก็เพิ่มมีความดีก็กระเพิ่มมีความชั่วก็กระเพิ่มก็เพิ่มทั้งวันทั้งคืนถ้าเราเฝ้ารู้ถ้าเราเห็นตัวนี้นะเราจะรู้เลยชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีเลยมีแต่ภาระมีแต่ของหนัก ก็รู้ไปทีแระพอเห็นแล้วใจไม่ชอบใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบมอใจเป็นกลางก็เห็นมันทำงานทั้งวันไปเห็นบ่อยไหมตัวที่ไหวอยู่ในอกเนะี้ยรู้ๆอย่างว่ามันเกิดจากการกระทบอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบตัวนี้ก็กระเถินขึ้นมาก็กระเถินขึ้นมาก็ปรุงเป็นสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างชั่วบ้างผุดขึ้นมา เราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเลยเห็นทุกอย่างมันผุดขึ้นมาเองเราบังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ะแต่ใจมันไม่ค่อยเป็นกลางยังไม่ชอบมันอยากพ้นไปเร็วๆออย่างเนี้รู้ทันใจของตัวเอง<ม>ฉะนั้นกิเลสหลอกเราละพยายามฝึกนะ<ม>ดีแล้วล่ะที่ฝึกมาหมายเลขแปดสิบห้าครับก้าผมได้โอกาสส่งการบ้านหลวงพ่อครั้งแรก ผมฟุ้งซ่านมากการปฏิบัติคือพยายามมีสติรู้กายรู้ใจพบว่าจิตหลงง่ายบ่อยอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไม่นานก็หลงคิดขอคำแนะนำหลวงพ่อถึงแนวการปฏิบัติด้วยครับขอบคุณครับใหม่ๆจิตมันเคยหลงมันก็หลงนะอ้ามันไม่ได้หรอกแล้วพยายามมีอารมณ์กรรมฐานไว้ อยู่กับพุโทโธธรมโมสังโฆอะไรนหายใจเข้าพุทออกโทอะไรเนี่ยทําไปเรื่อยๆแรกๆมือนก็หนีหลงไปคิดนานๆต่อมาพอเราชํานี้ชํนานาญขึ้นนะหายใจทีสองทีใจก็สงบล้วมันอยู่ที่ชั่วโมงบินของเราอยู่ที่การฝึกของเราแต่จะไปอยากให้มันสงบเร็วๆเจริญเร็วๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากหรอกนะอย่างใจสงสัยรู้ไหม ความสงสัยผุดขึ้นมาก็แค่รู้ไปนะความรู้สึกอะไรผุดขึ้นมาก็แค่รู้ไปเราอยู่กับอา ร, รมณ์กรรมฐานของเราไปแล้วพอมีความรู้สึกอะไรผุดขึ้นมาเราคอยรู้เอาแล้วเราจะเห็นนะทุกอย่างมาแล้วก็ไปอยากให้ดีเร็วๆไม่ดีหรอกดูไปสบายๆจิตใจอยู่กับตัวเองไปอยู่กับอา ร, รมณ์กรรมฐานไปแลเขาหนีไปสักพักหนึ่งค่อยรู้ทัน ก็อยู่กับอารมณ์กรรมฐานเองเดี๋ยวนี้อีกรู้อีกนีอีกรู้อีกมันจะรู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะต่อไปนะจิตขยับตัวปุ๊บมันก็เห็นเลยอยู่ที่ชั่วโมงบินของเราอยู่ที่การฝึกของเราที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนใจร้อนไปนิดหน่อยหมายเลขร้อยสิบห้าครับอยู่ไหน ครั้งหนึ่งเคยเห็นสภาวะเกิดดับทุกสเตปที่หลวงพ่อสอนเห็นตามระดับบางครั้งเหมือนไม่รู้เรื่องเลยขอให้หลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะอะไรไม่รู้เลยเดี๋ยวกนอ่านอีกทีซิครั้งหนึ่งเคยเห็นสภาวะเกิดดับทุกสเตปที่หลวงพ่อสอนเห็นตามระดับ บางครั้งเหมือนไม่รู้เรื่องเลยขอให้หลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติต่อไปถ้าเห็นสภาวะนะแต่ไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะเรื่องราวที่รู้มันแค่อารมณ์บัญญัติขอให้เห็นสภาวะท่านะแค่เห็นสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปเจีมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นสิ่งใหม่ก็ดับไปเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่เท่านี้พอแล้วไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้เรื่อง เรื่องไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สำคัญคือตัวสภาวะอย่ตอนนี้ใจเราล่องลอยหรือว่าใจล่องลอยปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คือสมาธิมันไม่มีไม่พอนะจิตมันไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานใจมันลอยลอยกว้างๆออกข้านอกไปมันจะว่างๆไม่มีอะไรให้รู้หรอก หายใจพยายามหายใจนะจะอ ย, อย่าดึงจิตคืนนะหายใจพูดหายใจออกโทรเนะี่ยทไปเรื่อยๆพะใจมันเข้าฐานแล้วเดี๋ยวมจะภาวนาต่อได้ถ้าใจไปติดค้างในว่างๆอยู่ข้างนอกอย่างนี้ไปไม่ได้หลวงพ่อก็เคยเป็นหลวงตามหาบัวท่านแก้ให้ถ้าทําสมาธิอนะจิตเข้ามาอยู่กับตัวเองแล้วเราจะดูสภาวะเกิดดับต่อไปได้ ไม่งั้นจะว่างๆไม่มีอะไรให้ดูหรอกหายใจไปสบายๆหรือพุโทโธไปสบายๆเดี๋วใจมันเรียกกลับเข้ามาใจเข้ามามันก็เดินต่อได้หมายเลขร้อยสามสิบสามครับขอเข้ามาพระรัตนตรัยและหลวงพ่อปัจจุบันภาวนาพุทธโธดูลมหายใจเข้าออกครับ เน้นเดินจงกรมเป็นหลักเพราะจะรู้สึกตัวได้ดีกว่าชีวิตประจำวันนึกขึ้นได้ก็หายใจเข้าพุทธออกโทอยากขอคำแนะนำที่ถูกต้องด้วยครับต้องแก้ไขอะไรหรือไม่ครับก็ถูกแล้วนะหายใจเข้าพุทธออกโทไปจิตหลงไปก็รู้หายใจเข้าพุทธออกโทจิตไปเพ่งแน่นๆก็รู้เดินจงกรมไปจิตหนีไปก็รู้ เดินจงกลมไปจิตประเภงกายแล้วใจมันแน่นๆก็รู้ก็คอยรู้กายรู้ใจดูมันทำงานไปนั่นแหละไม่เผลอก็ไม่เพ่งแค่นั้นแหละใจยังฟุ้งซ่านอยู่นะใจยังฟุ้งเกียยอยู่งั้นทำในรูปแบบเดินจงกลมก็เดินไปไม่ต้องห่วงเรื่องปัญญาเวลาจะต้องการทำความสงบอะแค่เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดู ให้ใจมันอยู่กับอารมณ์ันเดียวคือการเดินพอใจมันมีกำลังแล้วค่อยไปเดินปัญญาต่อตอนนี้ใจไม่กำลังมันไม่พอถ้านั่งก็หายใจเข้าพูดออกโทไปไม่ห่วงเรื่องปัญญาให้ใจมันมีแรงขึ้นมาก่อนตอนนี้ใจมันเบาไปลงๆร5อยห้าสิบดครับ คนสุดท้ายครับใช้พุทธโธเป็นวิหารธรรมเห็นใจรู้พุทธโธเห็นใจที่เกิดคิดเห็นใจจะคร่ำครวญคำถามคือควรใช้พุทธโธต่อไปหรือไม่คะใช้สิถ้าใช้แล้วมันเห็นสภาวะได้ล้วก็ใช้เลยนั่นแหละพุทธโธแปล ว, ว่าผู้รู้สังเกตไ้ยสภาวะทั้งหลายมันของถูกรู้ ความคลั่งครวนก็ของถูกรู้สุขทุกข์ทั้งหลายก็ของถูกรู้แล้วก็มีธรรมชาติเหมือนเหๆกันหมดเลยทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยล้วนแต่ผ่านไปทั้งสิ้นตัวผู้รู้เองเกิดแล้วก็ดับไปกลายเป็นผู้คิดก็มีเป็นผู้เพ่งก็มีงั้นในตัวเราในกายในใจของเรานะีมีแต่ของเปลี่ยนแปลงตลอดเวลากระทั่งตัวจิตผู้รู้นะก็คเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน ที่ฝึกอยู่ดีแล้วนะฝึกเยอะๆจิตจะได้มีกำลังกำลังของจิตก็ดีขึ้นแล้วละแต่ว่ายัางไม่พอใจหนีไปหรือยังหนีไปแล้วรู้ทันนะใจลงไปคิดก็รู้ทันใจไปเพ่งก็รู้ทัน นะรู้อย่างที่มันเป็ น, มนเมเป่งมันจะแน่นแน่เนีนะ่ยค่อยรูมไปเรื่อยๆนะพุโทโธไปแล้วก็จิตใจเราเป็นยังไงรู้มไปเรื่อยๆดีแล้วล่ะฝึกไปหมดละมีพระองค์หนึ่งนะบอกหลวงพ่อว่าตอนที่หลวงพ่อสอนโยมเนี่ยช่วยดูหน่อยว่านั่งหลับหรือเปล่านะ หลับไม่หลับยังต้องมาถามด้วยเหรอ <laughs> อยู่กับพูดโทรอยู่กับอะไรไปใจมันจะได้มีกำลังไม่นั่งฟังหลวงพ่อไปแล้วเพลินๆ เ, เดี๋ยวก็หลับไป บางทีเครื่องหลับเครื่องตื่นเคริ้มเคลิมหน่อยๆยังรู้สภาวะนะยัง ร, รู้แต่รู้ไม่มีพลังรู้แบบนั้นไม่ได้เรื่องอะไรแล้วเครื้มเมเครื่องหลับเครื่องตื่นไม่ไดีหรอก ใ, ใจมันตื่นตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ดูสภาวะไปตอนจิตรวมไปนะความรู้ตัวมันก็ยังอยู่ไม่ได้เลื่อนเลือนลางๆงสภาวะ เกิดดับไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะไรอย่างนั้นได้แต่ถ้านั่งริบลีริบลีนั่ง ไ, ไม่ใช่นะอ่ะเชิญ